พรามันชิหายหนาเดียวแต่ไม่มีสารทอดอันนี้ไพ่ญาตูดสิมาบอกเลขนต่วันเอาข้าเลี้ยงพระองค์เจามานุ่มเต่งจีนนวันนันมันจะไปเจเรื่องราวมันจะใช้กินมันมันจะกินพระพุทธเจ้าอันพ้าอ่มันอนนะกจริหารมันจะยกของพระพุทธเจ้าวันั้นรใจชีวมันกินของพระพุทธเจ้ามันยังสิมาพายานพายเอามาขบดเรีนเรียเรียนผ้ามันห่อนเหมือน มันเนี้ยไก่แตนอองเจึงนะมือจึงน่ะพาไก่กระโดดเข้ามือผู้บห็นเนี่ยช่างโม่หมูโตเระปันพจน์ม่เราไื้ออือเขาตัวบนนี้เขาถี่มียังไ้ก็ว่าแม่น้าเรารคืนกินอยู่สำนันว่าเหตุยังไงที่ตัางตัวไรอีกพอแม่เ้ยลูกหลานน้องปูเือนทุนสุนกำไรน้ำอันนี้น่งเจ้ากินเขาหนึ่งพื่ถึงวางคานเงานงเจ้ากินขขาแหงนนนแหละเนี่ยห นัน่นเรียกก้อนพานนี่ยหน้ากาะเบืไทยกระเบืองเบื้อย่างนังว่าย่างนังเจะาปกกระดอข้าผีอลองท่านเอกมาพอๆนี่เจ้บปกกระดอข้าผีมันถือมาแล้วลูกหลานท่านอบอกว่ฟังให้หน้าข้าท่ามันรอบเมืองเขาไปถืทอท่าหลอดเมืองไปถือถืกใครหน้าเขาขายเงินถือกระถือมาอย่างนี้อยู่ห้องหาย เพามันถือว่างธมเราเน่ช่งเนี้ยไปซืนหนามาไหว้เนี่ยเอาะไ่าวังสแล้วนั่งอิเอาไปเล่นไปเล่นเล่กมดอดรอนได้ไปไหนมีเจ้าไม้หรอฮะขายหน้าก็ตอกซื้อหน้าขายเพื่อนก็ตอกซื้อเพือนขายจิตดินก็ตอกซื้อจิตดิ่งไรมันจังไร่ด้เจ้ามาเพาะเสีเรืกมดได้ไปไหนถ้ามาใส่ก็ต้องฉีดอยู่ถึงมือ้มือโปรโลอยู่นะขัดคนงั้นก็ต่อได้มันป็ปูก็ต่อสั้นถ่านวัตปูสไปหา้มันจะไส่ไ้เข้าวังสิ วเนี่บ่ได้บ่ได้บ่ได้ดูแล้มันถูอบ่ได้บ่บ่ได้เหน็นคิดเป็นสอบะมาณเหน็ น, น, บบหนกงจักรว่มันอกบัวเห็นจงหม้อมันเป็นพลูโกลเลียพม่านอืมพ อ, อไหนเมื่อยเอารลอดกระโได้มาหาเลยจัเป็นยังมีเอ า, ม, เอามีเอาของมาแต่เป็นฝาเป็นดินเท่ากับเมื่อยเอารลดเมืเอ่อยนั่นมันรู้ตนชาจะเจ้าวะ่ะโอ๊ยก็มาเขาเจะิดหลายดีวสัว์นะว่ะ ว่ามันจะเป็นของเจริญยังไงว่าสั่ของคิดหายที่ถูกบุญัดเป็นของเจริญมันจกระทั่งเอาเทียงทำหมาชนตัวสั่นเข้าเหตบาปสตายเข้าก็เียงว่าเป็นบุญไปยังสัง่นมันเสียงเเ่องสัง่นเพารงคิดหายเขาก็ว่ามันเจเนเริญเนาเขาก็เียงงูกินแล้กับคิดหายยงเสียดจว่ า, าได้สันะไ่ hey, ้มันบ่อหนพี่น้องเฮ้ยพระพุทธเจ้าเรียนกันกพระ า, าีบุตรโมกขาลาามงึงดูท่านึงก็ไม่ได้ไปบินทบาทหือว่ากัไหนจ้ะมีบาทด้พูดนะโลกอ้นเหรอ จีวัตรตระโลกเมือนเหรอฮอดวัดพเวีนธ่าาเนี่ยอันนี้มันเป็นประโยชน์อันท่าทตนและผู้อื่นอันนั้นเป็นทับท่นเจ้าอันนั้นเป็นประโยช์เตือนกันสับเตือนกันมันสับเตือนกันแคแต่ว่ามันจิบหายท่าเจ้ามืออันนีเาเจ้ามือผู้ใดเอ้าเจ้ามือผู้ใดเป็นผู้อันนั่นเป็นผู้ข้าเงืนทิล้านราล้านขั้นล้านยื่อย่างนี้พวกขนาข้ามเรกกเนอันผู้เรียนก็เป็นผู้ใดเนาะนั่นหึ่งไผสองไผ่สาไผเอ้านั่นมันหลมีเลยพี่น้องเอ้ยไอพี่หน้ามันขัดนะ แต่ผู้ขายเดีว่าตาเงตะกอปานี้เพ่อแห้งละมองของฉันว่าองัพิังขิงเนี่ยไ่ได้เครียดได้โกรธได้เด้อมังพิั้งขิงมองให้เห็นพวาเบื่อหน่าดินะผู้ใดผู้ไดเงินเนีกงนผาแต่สาธาค่าอันพวกเรนก็คือกันพวกขายก็ขึ้นกันมออาันอร่มู่วตัวัคือเขาใจพิดกระดกกเดียดถึงคงจักไว้มันดอกบัวนั่น ถ้ากเรียนนดแกันกับขององั้นมากวนพระเจ้าพระสงฆ์นั่นะมันแทงสิบาปลกมรรคกก็รยนนด่โตกับชิบหายเพรแห้งน่ะมันมากวรพระเจ้าพระสงฆ์นั่นะมันแท้งสิบาป้ายอ่ะเป็ดก้าวตัวัพระเจ้าพระสงฆ์สมาว่าพระเจ้าพระสงฆ์เร่นเลขเรีน้าเนมันเเบอร์เดียมย่ำพุทธศาสนาโมหะมุจจะบอเออภูมากัเสียประโยชน์มหาพระบือยังมาเนก็บ่ได้ค่ารถกับฝันค่าเรือกับนันนั่นค้านามันกับฝันนั่น อันนพพาพพวกมันั่งเฝ้ากับชิมหายวันเถอะเสียเวลาภาวนาร์โูโทรเสียเวลานอนภาพนาเสียเวลากำหนดลมห้ยใจเขาออกมาสะ ส, สามเตลิดจะา่าตืน่นถึงนมากหมือนไรห้ามมือชิบออกมักกรนี่พลาดกับพ่นีเมื่อแห้งไก่ธนอของเจิงน้ำมวยเจิงแะนำมาไปการะโดดเข้ามือกูก็เห็นว่าจงไหน น, นนั่นนั่นนฝันยางนั่นฝันยางนี่เมื่อวันมันกับฝันไปกินีเลยเแียวเมื่อู่ยกขึ้งมันกับฝันไปขาเจ้านเอาไหมข้าวโมเสถื่อได้ติดอันนี้กับฝันห้านั่นเล สางกผู้ปฏิบัติคนทุกคนต้ฝันว่าคนเดวภาวนาคนทุกคนคุณได้เร่ยเป็นันฝันเห็นเเป็นฝันตัวพูดได้ไม่ยคืออม่ยาฝันเห็นไม่ยากู้ได้ฝ้าผัวคือหอผัวกฝันเห็นผัวตัวตัวถือว่าอย่สหนหลอนมากนี่แม่วันกับฝันว่าจิเกี่ยง่ว่า่ไริแม่พู้เถื่นกัฝันว่าจะเกี่ยวนออกไหมตัวนั่นพวกฝันมันจะเอาเป็นประมาณเลยบอกถ้าถือว่าผูกกัาน้กุ้พว่าไ วิออออ่อ้พอไอ้แม่เลยเอาะั้นมาจากหลักสื้อติวเส้นวเกีวเป็นนิวร้างสปีเนียเอาไออกมันกับบุตรซาบโปดตัวพาะจะเซ่บเอาพาพระพุทธเจ้าว่าน่งเต็นกิน่ น, นยังไงเพชรยังไมสิบประเสริฐก็พุทธเจ้าพราะพุทธเจ้าวกเชหายคนเดียวเน่ยไปว่าละวาไงไปดูม่ต า, าท่อพุทธเจ้ามันไม่ไหวใ น, นโลกอตตีพานี่ก่อนเลียนพูทสามวัดพระเลียนเรีบวัดตีนั่นยี น, นาขับต้อนท้อนหั ร้ให้เ uhm พื่คิดเพ้่ใจได้นี่้ให้มูดโจรเพืนีเพื่ได้เนี่ยนี่ว่าอ๋่นว่าคือตั้มคือยอมจัวพระคือเป็นพระตพระยอมยมคือเป็นโอมตั้มยมอมสอสิเดี๋ยนเที่ววุฒเทยวดาเอนนนี่ว่าท่นพระวกีเกียรติปรยชนยังโยมก็ว่งเกียรติปรยโยชน์ยงมันจะเข้าไปวัดกัได้พระบวชเอาเพลี้ยมหัวโตเพราะมีเกียรติปรยชน์ที่ยังขับไปเรืเรยไปพาได้ไหมนึ่งเบอล ขาดควบเข้าลงระคือเท้าวุเทวดาอินพมย่มพย่มพกาลิพหายกับป้านิดมันท่างไปมะขคนไม่พลานกับป้านิดทางไปตวันเนี่ยเป็นมนุษย์ในวัดเนี่เนี่ยมนเป็นมนุษย์สมบัติเนี่ขันมนุษย์ในวัดกับตะวันในวัดกับพมในวัดก็เป็นทข้าในวัดด้วยกันมันววัดไปต้นขันหักมันมมีต้นมันสีมี่มาไส่ต้นมันมมี่ําต้นมันสีมี่มาใสระบมันสีมี่มาไสเนี่ยมันสีมี่มาสอันเดียวขันเนี่ยนัเขาใจผพิษ เห็นเห็นพิกเปลี่ยนทุเขาะไปเทียงเอาของมันจีไหเขาจะไปเทียงเอาหิเจริญผู้ฝันบอกเลกบอกพานกับผีบ้าเปูไปผูกนอฝันกับผีบ้าบ้าถึงร้องทางับบ้าตัวบ้าสวนชนะกันคืนแงวันแงวันสนชนากันนะวันเสียได้เงินเพชรพลอยจงฟ้องเงินเป็เงินตัวเหาเรเห็นบอกเจ้าพิธานน่ะนั่นออมากับเพี้ ก็ไม่รับปกันดิปีน้ำจอปน้ำจอละนั่นนะเพ่นเอาตนั่น้ถเจ้าม่เห็นบว่าเพื่อนใหมากว่าปถามาว่าไมยิ่งเข้ากัก็่านโอ้ยกูเสียไปมือนึงแ้งให้ลู้านเด้นองให้านยยิ่งเข้ากนไมนึงูเสียประหลานแล้วผมว่าเน้่ยิงเข้ากันได้หลานกูเสียไปพันล้านแล้วว่าล่ะนั่นสผู้ใดกนเนาคือ้สมิรว่าเสียตัวห่สพวกได็วเนียน่ะรวดขันนั้นกับมันเล็กเงื่อนขันนั้น ขั้นขั้นจั้นกเนเล็กรถต้นขันนั้นกัแม่นรถไขันนั้นกับแม่นเครื่องินขนันกแม่นคาเรีีพูดดวจคตรว่ามจะเสียไปคารเลคหน้าผู้ขาก็เสียไปคาเรียลให้ผู้าเสียไปคาเลีลอันนี้ก็เสียไปคา์เลียลวัดนั่นคือโคตรมันถือบัตรเรื่มนถ้าพามาตรวจถอบรมาตรวเสียเรียบขานั่นละบ้ามันว่างวคางสายว่าเนาะเอื่อประตูระบาดเาถึงยังเสียอยู่นี่พี่นอนเลย ซือพักตูวละบาทตูละบาทแต่เอามันไม่ใช่พักตูเอมันแค่แห้งลุกไปเนี่ยกระถือพักตูเดียวเนาะมันแคลุกไปวัดเน้ายอาอพักตูและสองบาทแต่แหงพูดเฮ้ยพตูละิบาทแตแหงูดเฮ้ยอองัจะขีดต้คู่กัเขีขีคู่อยู่วัึ้นย่างน้กันบมซันเห็ว่าอันนอนเหียบใยนาเหยี่มูอยู่อัเฮ็ดขลายเี้ยอันเฮ็ดข้าลายเฮียวอันเจบเจบเยอะเข้าออกมาดินบาทมาแต่บันแวกเข้าว เขากลายมาหันเจ้าไปนั่งเกี่มานอนจริงตัเราก็เรียกเทวสันโอ้ยขอน่อยเลีนบกเทวสันขีดกับครูมนต้มสันสองตัวเท่านั้นมันต้มสันว่ามันมันมันต้มเลยมันตัวต้มตเลยวะสันเนี่ยวางสิละมันยูข้ามันรองไปต้มตนอกกะโจนปสิมาต้มตัวนนอกกระโวิวเพื่อได้ิมาหลงตัว่านนอกกระโจวิเพืได้ชิมาหนาสังสอนตัวว่านสังสอนตมันกังค่อยมันจังค่อยสอนสังสอนหน่เนีย ขันหายผู้อื่นมาทางสอนมันเขียดเลยไปจับไฟกับไฟกับเทศเอาเน่ล่ะมันหอนไปเรียกเลขเลเทปไปยังจังบ้ฟังหมันชิบหายอ่ะน่นมันเทปจะฟังหรือตัวมันชิบหายไปยังจังบเก็บปยาหลับตงโมห้องนั่นฉีดัวได้ท่านไหห้องเขากเสื้อได้เดียร์ยเอาว่าว่าเสื้อกันเขาเรีอาหมูโตขายแหงมาตโ้้ไปเลยมึงนูนเอาขันมูตโตได้กยุ่งกับีนเขาทิ่อาฟากว่าให้ขี่เส้นมาขี่ตลอดมู่โต้ตีดากเลยอ โอ้านี่แเขาสัาัมตัวยม่างตัวมงตวก้ยดือเรือมาันมู้ตัวเลนมันใช้สองขอไปจ่อยมูนี่มูนี่มูนี่นาบกาดแกวไัดน่ะรวจขัมู้ตัวดนนันีันนี่เข้าตัวีสากเข้าตีอ้าวไปเดไปให้เข้าตายอืมใครเข้าตายเขากให้ไปเงี้ยวสียอ้อนทั้งหมดหปนนั่นอ่ะเข้าลงทางพวกเราเขาว่าลงทางมูตูเขาคักบ้าบานไย คัาบ e ่ก็เลยออกค้าขว่านี้เยอเกิอเลยมื่อนี้กว่าสิออกคัามันมาตรงตรงไหมันมาตรงตรงซึ่งมาแม่เพราะที่ออกคัามันไม่หน้าตรงตรงเลยจุ๋มมันมันหน้าไม่เรียมก็เนี่ยมือนี่มันมาซื้อคนโลดแล้วเอาซื้อคนโลดโดนแล้วครับบ่บ้านเนี่ยฝ้านี่เมื่อวานนี่เมื่อ่านอะไการเปรียบเลยเมือวันเนี้ยสิเราไม้บอกปุ้ไงมื่อวนม่อหานนี อ, อย่าอาขึ้นม า, า, า, มามมนสัสาามาหาเรียกบ่อเหี้เอาอืมอืมขึ้นมาสูบก็เหียเอาย่าอย่ามาหาเรียกมาสูบก็เออไปกินน้ำซะบอกบอกดีไปเขียดไฮโเวได้ล <c oughs> าตายได้อพูด <c oughs> นี่ลูกสมุมเพิได้ <c oughs> นี่ย น, นี่ข <c oughs> ้อนลสุ้มย่ พูอมูเดียวกั น, นให้แล้วพวาดีแต่เอาทานพ่อแม่ปัายให้ก็บเพาย่างปั่นหน้าให้ก็บเย่งกองแขนกอง้าเอาไปจะบูรบก็ น, น่าองพ่อแม่เอาไปชุ้ไปแล่มันกินมันน้ยอะบ้านมงเห็นหูกเห็นร้านนะา่อแห่เรื่ร ง, ง, ง, ง, ง, งไกแจ้ตัวหนึ่ง ขณะที่กลวยเขียวอาหารไปพักปลอยมเมล็ดหรืองามดีมีค่ามากยึ่งพูดไปเปลยขึ้นว่าถ้าเจ้าของของเจ้ามาพบเจ้าเขาเชนี้เขาจะเก็บเจ้าไปฟังไว้ในะัรนะเพราะแยตําอยืนนี่เจ้าไม่มีประโยชน์อะไรแกเราสู้แต่ข้าวสุก ข, ข้าวสารมเมล็ดเดียวก็ไม่ได้ว่าแล้วพอกล้วยเขียไปในแปลงอื่นๆ น, นี่ทำเรื่องนี้สอนไทยรู้ว่าของที่ดี ก็มีประโยชน์แก่ผู้รู้จักใช้ถ้าไม่รู้จักใช้แล้วก็หาประโยชน์ไม่ได้ฉะนั้นใดก็ดีค้ามช้อนเขาต้องไธเจ้าะัป็นของดีไปเชียบอะ น, ปนแปลงเงินอือ่นในอกุมากคือไปถือเอารับที่อื่นนักที่เ็่นเด่นเด่น้ามาไปจ้าเงินไจให้งวันอ๋อรอนจะนี่แหลูกร้านยังสือเ้าเห็นทอดที่เราทำงูควันฟาดเปลี่ยนเนี่ยถ้าเปล่นก็เพราะเป็ น, นแล้วเขา แม่วัดมันก็บอกว่ามือคนภาพเปลเ่ยนทุกันแม่ครูเินพมันบอกว่ามือภาเปลี่ยนทกันบอกว่ามันก็บอกว่าสัมมาคือปไตตัยมันกทนมันก็บอกว่ามือภาพเปลี่ยัทุกทนเรื่องครูเงินงแม่วัมันก็บอกว่ามือภาพเปี่ยมมากลาบไปมันก็บ้าท่านมันก็บ้าปชาคือปัตตัยมั่นไมันก็บ้าโรคภาพเปนี่ยนทุกั่นแมวัดเรื่องครูเงเพิงันก็บ้าโรคภาพเปลนทุก่นว่าใดกันนั่นกหมดมันก็บ่าโรคภาเปลยนทกท่นนันเมื่อนี่สัญมาในหลูงพรลักษเท่าน มันดีอืมั่ น, นเป็นเครื่องอบอุ้นใจเขงเข้าได้หรอเปาเขาอสันมาเเครื่องว่งระมืด้วยหนึ่งเองียงสอ ง, งเองียงสามเงีเงเข้าได้มาเอานอมีมีตะกุ๋กเสียก อ, อนอันนั้นเสียกอนอันนี้โอ้ยลุกไ ป, ป า, ยายแล้วมีตะกูจันซ้อนกูได้ไปร้ายแล้วพ่อละกูมีกูไว้คนบอกนั่งท่านกัพ่อตัวอืมนี่น้ามึมามงลูนี่ข้วจะจได้ไหนึ่โอยเาเสียไปร้านแล้วนั่งให้เท่าเย ลุงไล่ฝ่าเลยอไรตัวไอ้เช uh, yeah, like ี้ยไปไ่หลานไอ้แค่น่ะก็ว่าน่าจะท้าเขานี่เขาเจ้ได้ว่าว่าในไอ้เชี้ยเน่จะเรียนม้านี้กะทุนมขาจะทำอะไรก็ไ่รเป็นนี่เขายกอ๊กโขเลยนั่นมันเอาเงินธนาค่านมาดอกมันออกมันมัฝ่าออกไปเขาทอะไรมาพอไะเียนเลขห้ามันไดตัาฉัน พราใสเงินธนาคารนะฮะว่าท่นนักเข้าไปแค่ไหนสองวันสาวัักเข้าไปได้บานนีสอ ง, ง, งเดือน ส, สเดือนนั่นะแก้ว่าท่านเนี่ยสมหวัวเจ้าของออกไปอ่ะเป็นท่นแหละเดือเนี่ยผู้เรื่อนกด็ดีบอกเมียคาราสการคดีนี้นั่นพ่อใส่ก็บ่าได้ใส่ความห่างพ่อแม่ก็บ้าได้ใได้มลรกกระมือเนี่ยกาะมืนแล้วเบินเงินเดือนยังไ่พอใสอยู่สอกสาคนนึงก็บ่าใส่แล้วได้มากไจะใส่หมดางออก ถึงฟื่ไฟเพอเียเอาโดดควนขึ้นมาให้ได้ไมิได้นี่จะไม่ให้ของเห็นเลยนะว่าน้อยมกก็ใกล้กว่าไร้เยวกบแขึ้นละเอาไร้นั่นคนนี่พันเลยสูกูว่ามันเลกนั่นจะสูว่าสูงมากินนี่กูอ่สั่งกินมาบุหร่เล็กที่พิหายบุหระนักูได้โตจริงเทอได้โตโตเด่นเธอได้โตเดียวเธอได้เดียวในทังถึงจไฟเลยนี่ยบอกเขาั่งว่า อ๋อมันก็มีจริงสิผู้ถามหานรกก็คือผู้ที่เคยตกนรกเคยไปสวรรค์มาแล้วนั่นเองผู้ตอบก็เหมือนกันก็ผู้ที่เคยไปนรกสวรมาแล้วนั่นเองนรกสวรรค์ก็ต้องมีจริงสิแปลว่ลาควางผิดสวรรค์แปว่าทางถูกทางไหนที่ผิดทางนั้นเป็นนรกทางไหนที่เป็นทางชีพหมายถึงทางนั้นเป็นนรกทางไหนที่จะเลยก็คือทางนั้นแหละสวรรค์น ะ, นะมันต้องมีสวรรค์นในปัจจุบัน ก็มีนรกในปัจจุบันนรกในอนาคตนรกในอนาคตก็มีสวรในอนาคตก็ม <unre> ีสวรรค์ในปัจจุบันก็มีนรกปัจจุบันก็มีนรกไทยเป็นผู้สร้างขึ้นทัพแต่ละพวกแต่ละพวกแต่ละบุคคลสร้างขึ้นสวรรค์ก็แต่ละบุคคลสร้างขึ้นชิงหัวใจไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจิตพระผู้เป็นเจ้าใจสร้างขึ้นน่ะข้าพระเยซูมาสู้เป็นผู้สร้างขึ้นพระเยซูเป็นทิบวาหรือทําไมไปสร้างไม่ครางเค้นแต่ต้นนั่น ทำไมไปสร้างทีสร้างเสือสร้างหมีมาให้ป้องกัดคนสร้างงูมาให้ตัดคนพราะเยอรเป็นบ้าดอกหรือนั่นทำไมไปสร้างโรคมาให้เบียดเบียนคนว่าสัตว์ทั้งหลายสร้างเอาเองเขาเคยเข้ามาผู้ที่นี้เกิดมามีโรคมากก็เคยได้เบียดเบียนจากแต่ชาติก่อนหรือชาติจจุบันผู้เกิดมามีมีโรคน้อยเพราะตองมันข้ามผู้เกิดมาในตระกูลต่ำเพราะไม่เคารพยังเป็น เพว่าอาจารย์ผู้ใหญ่มีเวลามานาปุญญาตาสวดคุณป้าคนลงเป็นต้นเพราะเรียกว่าเกิดตระกูลจับสมเด็จพระบรมไตรชาเคยทราบเคยว่าเคยขอรัชที่สุดจึงได้เกิดตระกูลสูงนกะ็เคยเกิดตระกูลความตระกูลกูได้ตัวนั้นดีตัวได้กูได้ตัวนี้เด่นก็เด่นทางชิ้นหมายดีทางชิ้นหมายนั่นเองนั่นก็หกชุกลมกัน แมลงเมาเบ่งข้ า, าวตะเกียงตายให้เห็นอยู่ก็ยังเบ่งข้าอยู่เบ่งข้าไปเข้าหลอดไปะก็มนิยมกรรมดานเห็นกรงจากข้เป็นเป็นดอกบัวเห็นจากหัวเขาไปลูกอเล่จ้าหัวแต่ว่าขัานบัวรานของขั้งจาก บ, บัวรานไม่ว่าเจ้าหัวนะเน่ะเนเขาว่าจัวเพราะเขาว่ า, วาจาหัวอะไรจาหัวในวัดข้อมอาไว้ที่สูง เห็นคนกว่าเป็นดงบัวเห็นจ้กหัวไปปลูกออเล็กลก็ง่ายพอิบหายเป็นอดเดตอน้องลายยมกุศลชนในโลกามนุษย์าโอเกเผยออกจากธรรมธรรมอนของพระบรมศาภณามีค่าลำ้ำนอนและชนหยยบย่ำจีเป็นเลขเป็นขาลายยมกุศลท่วนข้างของก็ชิบยหายเป็นกองคอ ง, คองน้องดูข้างหลังที่เสียไปล้วกหน้าร้ายจัง หวังจะรวยในข้างหน้าก็เท่าฝ้าสูงจูงวิญญาณของตนผลทุกนาโหนได้ในโรกาหนี้นาเรภายในแน่เหมือนพระองค์เจ้าเมื่อพระองค์เจ้าทายเข้าวาดชิบหายจะกลายเป็นเจริญไม่มีธรรมะของทาง่านกล่าวดีๆไม่มีสิ่งที่ แ, แต่แฝงแต้มและคับท้าจะอาถรรพ์เรื่างไร้ไปทางไหนดวงดีไปไว้ยกเลิกค่อยถอนเคารพของสองพระองค์ปรงจีวังหาทางดีเรื่องชีวทางชอบประกอบถือ ทอดสะพานอันดีไว้นาร้านเลน้เก็บมาได้เดินตามเป็นมอและดอกนามล้ำเลิกถ้าตัดั้ประเสริฐเข้ามาเาพฤตดีจะหายโรกีจะหายโสกีกับทางเรียนไทยต้งรีบยกเลิกไวๆอย่าเ้าเชค่อยไปจับค่อยค่อยเมื่อกาเทียดแฟังไปเนเลขเลขเมื่อกาเทศยดแต่ฟังในันเทศยด้่ฟังไหนกิ๊บหายนี่นะมึงไปสามไผสามไปว่าอยู่นี่อ๋อผมมีคนเี่ น่ะนี่ก็นผู้นี่็ูือแคลแม่บอกฮะหน่ผู้หนึ่นสองผู้นึ่นสมผู้นึ่ผู้ชนะออามาให้เบิงใช่ไหม่เบิงนาชื่อายลูกว้นี้่าไปร้งชื่อพิมมีงั้นใครเอาแหรว่าโอ้ดีเพเอาหนึ่งมวยต้าที่ตัวเองมันนี่ยนี่ว่านายน่ยง่ายกไปคุณเทวีเพื่อไปนั่เทวก็ปัดตอกวันวันนึง ใจดีเติรดเหล่าหัวเนี่ยนียใจสันใครเ่รอหัวที่ใจดีปนนั่งหัาเห็ดแห่เดเดียวอีตาอ้วนใช่ไหมเชียวไื้อสาระไหนสรสางคน้องกรรมมันไม่อย่เนี้ยมันขโมอจิตไปมันยับหวานมันจะไปน้ำเเผ่มันจะเอาน้าตาลไปเคลือบเอาไว้กับเม่ไหร่ไปหาน้าตาลชนะที่เคลือบเขาห่อเนี่ยข้ามาทานเขามันคุามคุ้มอย่งเง่้ถ้าจะเอายาดเปลี่ยนนั่นมันก็คุ้มที่เราชนะเปลี่งนมันบอก อันนี้เนี่ยมันชิบหายห้าวอยู่แล้วมันเตลิดบอได้วมันก็ไ่ไปทห้าอเดียวลองกนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสือว่าโรกบอกสือว่าชิบหายบอกพระพเจ้าขีตัวโล่ขีดตัวถังให้จะเป็นเมตตาเขาดหน้าพระพทเจ้านี่เรพระพุทเจ้าองเดียลเมตตาเรุดูหน้าทัดทั้งหลายลืนพเหนือพนญาติได้มันไม่ดีเขาจะบอกว่าละไรด้วยมันเปคติดพิษบางพ่างไว้จในาย่อกตายเนี่ยเออดอนนั่งข้าพเจ้าว่าในสอนโลกดอนนี่ข้าพเจ้าว่าในสอนโลก คนคนพิบของข้าวไปเจ้าเป็นมาเดียว่าอันนี้เข้ากัสอนมันแล้วถ้าไม่ไล่เข้าเน้อจะเป็นศาสตาแท่นเอ้าทั้งหลายข้อมือถัทั้งหลายเป็นเ้าจะไปได้บมดมัดเวลาก้าแล้วมันกได้ไปนั่นเป็นบริเวณโทษพ้นมาตอนั้นว่าในสอนตอนนี่ว่าในสอนโลกเป็นบริเวณโทษพ้นเข้ามันที่เป็นขบพ้นนี่เงเป็นพุทธขบธรรมขบสังฆขบอยู่เลขาสอนของข้าวระวัตรงๆไม่สอนไหวเลย่ามันสอนฝาฝาดเนีนกายอ่า สัว์นีได้เปอรเลยกระบกกอนพร์คน่ะนี่วัชแนลข้ามห้องรสยาแรกวัชแัลเสียงเอาขิงว่าแห้งง่วนบซนด์พาร์ทกินนี่วัชแนลตายยากวัชแนลเอาขิงว่าเปเป็นสาบดารทให้นี่แกเขาขี้เ็ดวัชแนลอะไรก็ลงห้องตายเกิดตายเกิดก็บรรลุหอตายก็เป็นไม่ตา้องก็บรรลุอันนี้ มาองเสื้อเขาเาสื้อท่าพระเจ้าเชื่อยานถอนบอกเข่เสื้อในที่นี่เขาพื้นใดบอกเสืส้อเสพื้นใดแนวหบพื้นไดเข่าเาโปงๆแนวเาบพื้นดเขาจังโปงๆอันว่าเราไห้ตะพันโตนี่รับลกหนยยง็นเป็นที่ฉันได้เขาในส่วนขั้ปนังเขง่ า, าขั้งธาลาวาดัดยุทธาลวดเขาเรียนงช่เสื้อเสื้อรามเื้อัอนธ แอ้วโดนสะตวนหลวงพ่เสีบางเยอะทั้งวันเสลี่ยงรัฐบาลมันก็คือชักโตโอ้ยพอแม่กูเสียบหุดขุดหน้าภาพดำเลี่ยงกูง่ายมากวาจันเสียมเอาจบันเอามายุ่งูน่าเสียมุมีเสียมวนกันกูง่าตัดวนทำไมเอามายุ่งกาหน้าเลียเขาใหญ่อันนี้ยังเฮ้เข้าเข้าเตอพุเจ้าทํนาได้ยทาหดวนเอกต้พุทธเจ้า ดืนน้าเมาช่วงกลางคืนเพื่ดูการเล่น่นการพนันทบคนชั่วเป็นนสเกียรขันทงานในทางต่เ่อเป็นทางที่ชิบหายซึ่งหน้าซึ่งปากประตูไดประตูหนึ่งก็ชิบหายทั้งนั้นไม่หาพบตั้งรดประตูทุประตูดอกเจ่านะวเอออ่งท่ายาวพวกพิษกัดเธอท่ายาวท่านว่าจะท่ายาวไรซากพรพทธเจองไหนก็มาท่ายองกันวนักเรียนินักเรียนชุลาและเรียนเนการพนันบคนชั่วตรนี้เป็นทางชิ้หายทันั้น ค้าขายเคร่หาร้าขายไม่ได้ค้าขายสัสตวนไรนีวเ็ตัว่าปาหคขนอาขายยาพิษนี่ uh. เป็นของชุ้หายเนอะเรื่องน้ขายกับขีา้ายเรน้อปูน้องปลาขายกับขีหายเนอ่เป็นอ่ากลขายกับขีหายน่ี้ผายทั้งนั้นเนมจะิญอย่าว่ามิจฉาว่านิชาเนี่ยการค้าขายมันชอบทำาว่ามิจฉาวนิชามิจฉาแปลว่าเขาจะพิดวนิชาแปลว่าการค้าขายอันนี้ตัวน้เนุณพติเจ้าสอนใว่าอย่างนี้เลย มันุ่งีผู้ใดสปรสอนเกมมนมุที่เจ้าหอกอันนี้ายาสาหน้าญาเสิแ่มันก็ใกล้กับพกใกล้สีดาของเจ้ามงังว่าโ่าสอนในัดอ่ะเริ่มกลาโหงเจ้าไ่อกใครดีเเด่นวันก็เริ่กลางโงเจ้าสักทงมนงนั้นเจยวรับปิตนังบริสุทธงเมติยาประกาศสิสิประกาีบริบูร์บุทธิถ้าอัตถะพยันชนะสิ้นิน ตอนนี้เพูดไเจ้าว่าท่านเ็นียตอนนี้เขาพูดไเจ้าว่า่านเป็นเกียรติที่เไปทั้เยว่ากัดตัดรูปใช่หรือแต่าพ so ูดกินอำนาจแฝงรับกรังเริ่มกลาวเขเจ้าทั้งนั้นพูดขมันไปต้องพิดิกเริ่มกล่าวเพราะเทวัต้องถูกเริ่มกล่าเพราะพุทธเจ้าเขาไม่สงบเพาน่เห็นว่าแเลี่ยงกินยากินข้าวมั้งเนี่ยกินติาจ้าขาเนี่ยเพราเทวัดกับพ่อเ็นวแม่วเขาพุทธเจ้าห้ามเน่ยื่าสนอืมน่าสนใ สั่งวสอนว่าใส่สั้นๆเก็แล้วไปว่ามั่งเาเปกิตรี่แตกทียเาวาสเนื่อสางเนาเน้อเมือมือมีเนี่ยเสือเนี่ิมาหาไจิี่แตกทียงเ้าวางสักแต่ว่าสัก็แล้วไปทียังว่าสักนะเขาขังตัวผู้เดีมันผจะไปันไม่คัเนี่เพื่อที่จิันทางโกลร๋าอนะจีดยาบ้างจามือมือนั้นแหละบอกส่ามให้ทีก้อนอมันตาย เขาไวกินแล้วก no. ็ขั uh, ้งวงขตายยอนเล่ก <textbook> ็พายกันแล้วง่วงขั้ตายย้อนแต่ก็พายได้ถูอยู่ไวสัตวนว่าถจะกินนี่ก็แนวสัตว์่วมันก็กินแต่หาสัมเห็นว่าอ่านหันง่วงัตวลูกมอมันกินแต่บักสมเอ็ว่าอานหันบุ๋งสัตว์นว่าสิหม่างง่วนน่ะนั่กินก็ห้าสัเ้ามง่ายโตไมกรเต๋ันจะตายถึงว่าสัตว์นว่าสัะวามันไม่ไม่โนมันง่วกินรับไสัตวก็เพื่อ่จะบอกเลยว่าน ผู้กินเนื้อทำเร็บพลหารูกินพักทำเล็บพลหารผู้พุทธเจ้าบริวารด้พุทธเจ้าว่าผู้บรวารที่เอี้ยัได้ถัดกับเวียวินเนื้อมันทำเล็บพลหารเสือแล้กัเป็นพรทหารเสือตัวั่แม่นว่าสังูเป็นพรหารู้ดตัวส่ง้าอค่มันชินมา well. หยืนอย่างนั้นท่ทอนี้นึงเบื่อเดีเขานี่กินเนืยังเปิเมนอยู่ก็เดียวกันนะแม่นว่ามบนนี่นอนนอนก็คล้ายหัวล้วยกัทวของมนี่ มีมากก็รากาให้ดีมีคนละเดียววันไหเขาไม่จะบอกถ้ามันโมมนกจะเอาือเือเขาไม่คิดอยู่เขาันบ่าเนียแล้วโมมนเ์ถ้ากขบเอาันแมนต์้าจะเอาว่างได้หเปาก็ไม่คิดอยู่ไม่คิดเหลืออยู่แม่บอกผมบอกมันคือซื้อก่อนซื้อเอาให้กันเชื่อไหมมันไม่มีเหตุผลถาเขา่เสื้อห่านีืเขาไม่คิดอยู่แม่บอกเขาเอกอไนะคือเขาจะบอกนสา สัมสำคัญนะมันสนุกขนเองละ่ะมันจะได้เกิดว่าเป็นทุกข์มันจะเบื่อเบื่อมาไหนมันสาคัญเิ่าล่ะมันก็สาคัญนะมันเสด็จ ไ, ได้กับเลี้ทงช่วยันเป็นข่าวไฟอ่ะผีขาดลงม า, นะมา เ, าเนี้ยมแม้วันเขาตะเกียงแม่ยังตายก็อรอดเสาฟ้ามาตอนเดียวหัวห่อล่ะลงโลกล้มเกิดล้มแก่ลก้มเสีบล้มตายก็เลยมาเกิดมาแ ก, ก่มาเสบมาตายในวัตายขงศานนี่ ถึงเราเห็นโทษล่าเต็มชีอะไควจีมาบอกสันคือเราเห็นโทษอารมทาอนเฟื่มัใหม่แขงไม้ขาเราสันใครสีตั้งเก็ตหน้าไปตุ่นก็บอกไปเราดึงแนไปกระฟืดเนี่ยบอกสันว่าวันนี้เราเห็นโทษตอนนั้นจีอะพวกเรียนเรงเียนพาเรียนบ้านเรียนเบอร์คือแบมท่นเห็นโทษถ้ามันเห็นโทษมันสอนมันเองถ้ามันสอนมันสอนเจ็บเราตรงีให้ไม่ได้เรามันเห็นเราเสลนเลยไฝ่ไม ไฟไม้มเฮือนไฟส้านมันยังเห็นขีฟุ้มันยังเห็นหลักเห็นต่ออยู่เห็นต้นเสาอยู่เห็นเห็นขีฟุลเห็นขีเทาไฟไห ม, มเรียกไฟ้าหนิสีเทากะว่าเห็นหน้าธนาค่เดาไปกิจจอยก็ ข, ยยข่ไดหลังธนาค่าดาวิกิจให้ยังส่านหัวสวนรดเรื่อยยังแมียนบานขันพวกเรีนเดียวนฟ้าเรนบ้านียือ ไอไ้กติดหนักออย่ยอมนะลกไปนะเลี้ยขอเลียบถแล้วก็าม่ลี้ขอสามม่กินวัดนะนึกถ้าว่าเ ข, เขอ า, า, เ อ, าอเล่นนึกถ้าเขดนพวแเฮงเดี๋ยวกมันถื่อนยู่อย่งนมเป็นอย่านี้แมันถืกอนกเอย่างนมันรอวอมันเถื่อมันโมันสุกโกรนได้เถื่อะบักมันถื่อมันเสียพวกเฮงเหรอฮะว้ยไปถามเราโมงดูมันาๆๆามนามันไ ห, หๆๆนวะถาม ว่าเลยเอ๊กูเสียไปนี่จังพันหลานนาะมันปรว่างเสียคืมันถือคมันว่ามันมันเป็นเเชียวเขาแม่เนาะเอาอันท่าน่าฆเลนมันมีอะไรใส่ได้มันบุมงนี่ได้ไม่ไม่จะมันฆ่านู่นหรอะมันบวไายบอกมันเถยะ้งนี่มอีจะมืออะไรให้ง่ายบ้านหมดบุ้งอะไรเขาก็ได้ง่ายบ้านเฮ้ยเขาเสียพูดอะไอย่างนี้เขาเสียพูดที่เจ้า ไห่เอาก็มาเ <Reform. S 1> ื้อหนอกเจ้าก so so the ุฏ so ิเจ้าหนองเื้อจ้าก็ิเจ้าเนี่สารอ่ะเก่งาก่องเนี่ยบนเพิ่นกวางสบนเพิ่นเป็นุฏเจ้าหรอกกุฏิสาวก็แห้งแล้วบนท่ผสมกระั้นก็แห้แล้วเพิ่งาต่ว่าร้างสอนห่อบนเพิ่นเป็นคลาดไม่รู้กุฏิเจ้าเลยเปิีนพระให้พาหน้าคือหัวเนี่ยแหละคนทุกค้นสดื้อหัวเลยนกรองนกระเดียบคือหัาเลยบนะสบการว่าเพิ่งแต่ว่าบอกบอกมาสรงมาสอนห่อบเปลคลาดมากเกินกวุ่เจ้าเลย แล้วเป็นคลาดแล้วเปล่นผู้ที่จะห้องไม่เอาดลประสบการณ์เขาไม่ได้แล้วเขายังเดียมาบอกเขาหผลนเอฟมือเสื้อหอกมือเสื้อมือเชื้อหอดเดือตายก็เสื้อตายเกิดตายจเกิดปักนินม่ใช่สองหาสมดฝนร้อยโกนมาหาสมุดฝนเขาก็บว่าเสื้อหนึ่งจิตใจเขาดีงแล้วเขาไม่ได้ล้วังงานจิตใจเขาบระวังอ่ะวามันเสียลองระเบิด ก่นไม่เช่ดจากลงคือทไล่ะท่องหนึงแล้วเพระดิ่ระวังเาามันไปเอามาคกินจรงอกไว่าเขาชืนว่าเวต้ม่ยปลุยดจังเลุก่าคือลุมทังเพิ่งล่ะว่าเชื่ไดว่าสิจะเดระวังเงมันสิจะไปลง้ลุมทังเพิงเลยสมบูด้ว่ามันรณได้ระวังเงาลองมันเชื้จากไปจังเลยระวังงาเยมันเชื่ไดจากเดีวจังเระวังงาเ่ยเหนเอ็นขางคิ้หายดิงนาเดียวลก่อก็่เด๋ระวังงาแลว มันตัวจากของเกียว่าตัวมันีิได้อยู่ทีหลังสิเกียดว่าซิบจะกระหูนี่มันงออยู่นกพาร์กเหห่าเหาเหาอยู่ขอสับงออยู่กันเสี่เศร้าสก่อมันชิได้อย <ock> ู่มันสามาซื้ออยู่อนี่เรีนอ่ะเสียไปเสยไปเสียไปเสไปอ่ะนเขาลงคือมาเราย่ออนสิครงก่อนเะไม่งั้นเรื่องล่ะน่าไปเรนเลวดม่ยังยั่งมัน มันนี้นะ่ากินน่าทายอยูเนี่ยกำเกียนขึ้นเดียวว่าจ้ทายนะขึน้คนขึนเคเื่งขึ้นเดียวว่าด้ทายเห็นห น, นังสือพิมหรอโต๊ะ้รับวหนังสือพิมพ์หรอเขาเบิมาเขามปิอากมาเขาเปิิมให้โตัะเอา ม, มาเบิ้งโอยถ้าวัเสารสุาต้อนนีะเดีไปต้อนรุกตอเต่ากันเท่าไหร่เป็น น, อ น, น, น้องนยนําสองอกสองโดนมัน้แม่งปุยพึงพึง่งนะแต่ทงานสายท้องก็่าอยเงยไ้ ทำงาพอกินเขาเนี่เขาก็ตัองเสกัั่วาปัดเื่อนให้เขาตสียาว่าหางๆไ่่มีาวซับไม่ามันบาคนสียรายเนี่คนก็เสื่ออยู่คนเพื่เคืองคนเนี่ยที่คิดที่คิบเนี่ยทิดเนี่ยคนเลียกรู้เพราะฉั่นไปบอกมาฟังไปบอกมาฟังมันบอกเขาเยอะตัวห้าไปตำสรุปสรุปแตยังบอกเขาเนี่าเรียกรูมันกรไดดก็มันกระได้มันจะบอกเขาเรื่นี่ยถามเขาเล นกคือนกเขาเนะ่ยก็เปนไพร่พูดเเป็นเจ้าฟ้องมันเาะว่านกเขาคือผู้เขาเน่ยแหละไพร่ว่าเขาผู้เขาจะ่ไหผู้ผู้ไพรพูดล่ะลองสั่ว่านี่ัเข้าจะได้อะฉันจะทาช่วยกูเสียไปไหลายตัวนี่โรงงานเนี่ยเพราะว่ากูเสียไปไหลายตนี่กูไม่ได้เลยนี่ว่ากูขาดทุนถือแฟระกูจะถึอชนะนี่จะคนบอกถามกูไปชนะแล้วด้ยอแฮงเลยเดี๋ยวนี้ว่าฉัน รถขั้นนี้กับมันเล็กกระั่นหน้าให้นี่กับมันเลก็กกระชั่นฮื่นลังนี่กับมันเล็กกระั่นที่ด็ดมาทากับมันเลขไใหญ่มากกระั่นมี่ฟุง้งไอคนนี่จะเสียไปกางเลก็กน่ะหลวงสั่งนี่จะจมน่ะจำไว้น้ำเกลืนเงยินขนาขคาดมากเนาะเขาเวลาส่งงวดเขาก็ะําเดือนม า, นดด า, านกตัวดองเดียวเขาทำนกไปส่งนักเขานักเขานักเขาคนไปฟองเทเลคอเรานม่ถือหวแค่พี่พน้องจัฟองนนักเขานักเขารายเดือนเขาอ่ะนักแล้ว่าแแ้นพ่อ นักมาจิิราชหาดนเอาเลยด้่ว่าเก่ากขอเราแต่พวกเขาเนี่ยตีกันว่มันเป็นนักเจ้าเลยมันเป็นนัเจ้าเลยเราจิตตกันจิตคากันในวันนี้พวกเนี่ยไตกบบนนันระบัดเนี่ยเ้าเห็นว่าอรอะเห็นลูกเห็นหลานเห็นพี่เห็นน้องมันคือทั้งอุดอ่อนนั่นแหะบอกปฟันมานี่ยรัพยม่เส้นพ่อจิตั้งโตได้กัตั้งโตว่าอะไรไปที่ย์มาวันนี้จะมาล้มายชีวิตแห่ประเทศญี่ปุ่นว่สนาสาทุกอะไรอ่ะ พวกถื้มันเปลี่ยนทุกอย่างมันปวกไหบหมดหถามเขาเขาก็เลรับด้ยเขาเสียประหาเดยพวกขานี่รักถือเมื่อเวลาอะไรกันไปผู้ถือขานี่ไม่ผู้ถืออะไอย่างนี้ก่อนผมมานี่ก็เล่นถือกันอยู่ใต้หดที่ต่อกันเหมือนเพิ่งทั้งเรืนองการดำเนการทั้งวันเลยนะทั้แบบเออเป็นยังคือก็ยังเป็นสงสัยนะว่าหันหัวก้อนมันก็คือแต่ว่านี่ก็ มางวดหลังนี่ว่าเป็นเลขไอ้เละโคมากเลขทีงไหมจะงงเทปกันงวดหลังกันคือกันหลอยู่ก็เลยสงสัยว่าเออฝนอนึ่งนีวาชนอยู่ที่ไหกันโอ้ยสิกระมวยจวสีกระมายอีคนนี้เลยคะแดนเสียหลายมันพยายาง้องเสียๆก็ถือกระตัวตัวถือสังโม ได้ข้อเสื่อแล้วก็โทษาบอกมูกันนะ่าจอ่าจะหอนหมดตายคาไดแปลนมันม้แต่พินทึกหาิบิั่นแล้วเประเทศไทยเดีเขาก็เดนกันมาโดนเนี่ยลุกรถไปลุกรถไฟไม่ไปไหนกี่เรงงเขาไปปุ่นขึ้กันเนี่ยเขากลาว่าได้ยุ้ยู่ไปปุ่นจะหาว่าปุ่นจักข้อได้หรอ อันนี้คือกเขา้าาเขาได้เยแคหกที่ใหม่ะนะตัวมตัวูขี่ก็มวตัวขีก็ใหม่พวกเล้ยรเล็กกับวเลพวกซือชิ้นที่ซ้ำกับบ่อเรื่องชิ้นท่ซ้ำพวกเลีงเลก็บเรื่องเลกแม่วันเชียวเับ่อเงกิขีหอแมู่เลีงฝึกหัวเลี้ยงเกไม่เาาใช้ท้วันฝันเห็นกับฝันเห็นเจริญกไม่ผมแม่วันเขียวกับฝันเห็นกับฝันกิบขีมันก็เจริจบเขาใช้เของไปท้อวันแล้ว มันดูีังนน่ือแล้วเข้าไปอึไม่เชื่อเหรอไอ้ันวันจอดเขาไปกอาจจะมั่วจริงๆเลยก็จะว่าโอ้ยตวใหญ่ก็ถือฮึไม่เชื่อเหรอไม่ตั้งองตัวเลยตัวงตัวปูขันเห็นพันยี่วันไหนเชือกไกลได้เอาอันโล่ไปเที่ยวตัวงูหางัวเสียเงินนํ่งตัวผ้าอกนั้นญีุ่่นผ่าไร้เลยขึ้นคิวไล่ผ้าปูไปปูไร้ว่าเอี่ยตัวนั่นตัวนี้เพื่าไปตัวกันสมิเชี่ยวัดสมบัติอย่าง น่วโาเสืออันนี้น่าโมเสือความดีจายนี่ฮคือแล้วครูมาหาวันนี้เนี่ยฝันยังสั่งฝันยังเสียฝันยังสั่งก็เสียว่าสั่งมาเพิ่นพัดผ้ากันไปลูก่าคว่ำฝันน้อเพื่อนมันว่ามันเจี๊ยบสี่เหลี่ยมนอตจิ้งนี่พวแต่จังหวัดสระขามเดียวนี่พวกไปเรียนไปซื้องวงำฝันนองเพื่อนพ็มนจินถามเพื่นจะบอกันฝันคนนอตว่ารับมันสิบว่าฝันมันสิบเอี่ยอลูเอาเงินนี่นำโต๊ะก่อนที่เปาว่าวคนพี่ว่า เออตัวต่อดาบก็คือปูกเขาแปบแก่หองกเบิต๊แก่หองูกเพอว่าอืมนะครับบว่าอยากเดี๋ยวมันตกบอมาเียาเปรห้องมเมาเนี่็ตเล ทิ้งอย่งของฝากคนเห็นเนาะมันสร้างช้นหาย่คนบอกมาสราไ่ชิ้ามเาเหยดได้สัแต่เป็นผิว่าดตามกันสิชิ้นไฟเมันห่อนเพาเห็ดได้แ่เป็นิวาดตากันสูตอบกับิว่าดูทำกับผิวาดกูอ่ะผมจะแคลนทัผู้ตอบผู้ถามเน่ะอกสัตวว่าอันเดียวกันนะชักบ็ลให้เห็นกจักว่าแม่นระหัวเห็นจะหัวมันปูกเขาเลมันก็คือเศชิ้นหายจะทำ หลอกลูกกาที่ว่าไงปัสเชื่อัสเชียปัสเชียศิษย์ธรทมก็เรื่องความันตายเขาเขาผูเชี่ย้ไม่มากมากสอนวัดมันจิไหายมื่อรงเพี้ยนเียนี่เขาจะไปดีเขาผู้เจ่มันจะมี่บอกมเดชก็รู้เช่ยวปัสเชีห้องจุมมนเนเน่า้ายได้แ่ิก็ไอ้เจ็บบง อืมผู้ช่วยองช่างโรมีร่งเอาละคับฝางมนจิตม้ อ, มอใจนะนยักษ์ายมาันเละเละน้ม้อนก็ม้อนจิตม้อนใจก็จะไปเละเลจะแล้วจะไปทําพิดสิต็หัวปลาได้ก็ท็อไปแต่กับเจ้าเละเละกับชิ้นไข่ก็ต่ะ มักแกว่าไปมกันตัดญี่ปุ <si ่นแมตาย่าได้บนกับเก้าอันนี่ยตายฆ่าแํามุ่นยจักเกียร์ใช่ยังหมดานเลยใชาใ่ใช่ใช่อ๋ออ๋มาห่านเล ควายมาเลี้ยงเลยตักูเาย่สมเด็จแก็ฝาเี้ยงฝาเสาเี้ยงฝาเสาียมันฝาเลียงดีฝา่เล้ยเลชกจอาโตมาเลี้เน่ยเอาม้าโตม้โตอันบักไฟบ่คนเนียเอาล่งปูไปลงสมน้ำ คนไก่หางเหอนจากศิลจาธรรมเสมอนบ่ดเงมาพูดทพาะธรรมผสมบัดถึงมาพุดเพราะธรรมสมข้นถึงแต่เล็ดสั้นั่งกัสามีคนอบัตรโต๊ะที่ไหนบัดเงกูทั้งขมังชั้ั่งกัดสามีเล็ดสั้นั่งกัดสามีเล่นสู้สู้ฟัวสู้เมียชั้นนั่งกัดสามีกินเหล้าชร้นั่งกัสามิเียนบ้าเียนบ้าสันั่งกัสามีแม่นวะเสมอเลย ไปญี่ปุ่นสารน่ากันสามาแม่นเลญีป่ปุ่นก็บไปขายเนื้อขายตัวนะตจะไปน้ำเขานี่ยว่มันขึ้นจัหวมั่ยิงมนิงขึ้นกันเนี่ยนะจังหวเนี้ยแค่สุดท้ายเขามารลอกไปญี่ปุ่นนี่พ่อจีนเห็นจนนี่พ่ไทยเห็นไทนัน่นแหละปรทัยย้งใย้อขออะไรยม้มือชาน่ มันสะเห็นจะพ่อเห็นแล้วเนี่ยขนาดเนอะเออนักโทษนกโ่ว่าคนประทับประสงคเป็นชนละนะในคนทุกข์นะว่าองสารน่ะนี่แผ่นชาตินักชาสียงนพอได้ในทีกกาลังของเขาอ่ะเออเขาวดเพ่อคนทุกข์นะว่าจะสงสารมันกายมาแล้วอ้เมื่อน่ะเขาจึงบวดนัานนั่นอยู่ในฟ้าในเมื่อไหนหัน่ะ นเข้าเปนภาพาบอกเรืบอกพาเลยโอ้ยเทียบปีว่าพออเที่ยวอะไรวะซอยงูตอดตายเสือกัดตายสารพัดเนี่าหาหากินมั้งเลยเนี่ยมันทำไรพระพุทธศาสนาดิสิ่งว่าเมื่อปีคือผู้คือเขายังไงมันแง่กอนสี่ดินเลียกเห็นท้ายบ้านเขาพอดีเขาเขอยู่ดังบอกเว้ยแต่เดี๋ยวพูดได้ตูเข้าเลยเลยเพื่อนพวกมึจักเขาเพื่อนบาปหลายเพื่อนมึงจักมึงจักคนที่ว้าฆ่าเข้า ท้าบวชเพื่อผลชุกนวัทาสงสารหมดถ้าบวชเพื่อหลับเพื่อยนเพื่อสนเสริเฮากัตังเนื่อนีว่ไรเลยเล่มกลางว่ไไรเจตน้าของเฮ้ามันหนึ่งแลอันมุ่งเนี่ยไแล้วได้ขนโป้ใส่มันกับพมันกับวี้มือพวกนีแผลสิเอายาพิษมาใส่มันกับพเขาีว่างี้อสันว่านี่ผมได้เ็นทั้งซีน้องนจักเขาว่าเขาทีเป็นพระเล็กพระผาพาเที่ยวพระเที่ยง คือเที่ยงละทั้งสิหวังคนทุกนาวัตตาสงสารนะอันอืน่นเราไม่เนะห็เฮาเห็นไฟนาวัตตาสงสารยาวเต็มทีเสมอเมื่อไงเมื่อย่อมเรีนเลขเน้าเนบ้เรีนเบอ้อสิเฮาแหงเกิดชางเวสรตหลายเฮาแห้งเม่อจะมาเกิดพร้อมจะเข้าสู้คน่ า, นาก เอาผเสื้อหลักเอาาเสื้อหลักลมหายยอะลเอ็ดเศ้าเรเรกมามันมีพ่ชายอะไ่เงีู่วริยาติอะไรกโคจีอะไอีกโรคนึงเราไอ้ัขันหม้อมาหาลูกปูนี่ชิ้หายมดหลายพอแห้งแล้วสัเรนมดเชื้อราหลากหมันี่มาหาลกปูนี่เ็เทาผาเสื้อขน้อยผเสื้อผเสื้อยู่หันอั เขาเสือเขมันเที่ยวไปห้าปีมันมีแนวได้ชีได้อย่างนั้นเลยจะบุนแล้ววะสัเขาก็เสือเขาไปเสือโยนผมว่าสุมาลคนหัวมันไปน้ำเาหัวหัขึ้นหัอนขึ้นชิบหายเั้นหนุกแค่ร้านชิหายพวกแหงละฟัดนฟัดมืออะไเขาว่ามีจอกมอหนางเจ้าแรงเจ้าง่ายพวกมีเงอนไปตลาดคุณก็มีทีนี้เอาว่าพ่อๆเรื่องในเลกนี่หละอือ ด้ยเขสั่งค้าวอยู่หรือว่าเพรเมตตาให้ซื้อเลขคือก็ดีโอ๊ยพขะเจ้าโอาไงมาสอนชาลาพูดจะเจ้าอไงมาสอนไว้ชางโลกมันบมี่ชงโลกอันนี้ยอวเพรเมตตาซื้อเลขคึกแล้วว่าสั่นอิมาเกะงงพูดจะเจ้ายังไงบออันนี้วออให้ซื้อเราก็ให้พูดเป็นัฟังสาหรับตัวนั่งห้องจ้าอย่เราบอกผู้เป็นฟัง น, al, นั่งยังตันาอยู่นี่อีขมอ่่นี่อี่ขมอ่อยู่ร้อยเ็ดนี่เหรนยญแเรียกเท่านั้นแหละยี่เล่นน้อยนี่ห่อฐานะสีมาเสร็จฐานะสีมาบอกเลยบอกพ้าลูกร้านหมดส่นตัวล้องผู้หาบัวย่างนี้พูนางบอกคือห่อหนี้ใครบอกย่างนี้ไปไปจ่อยนี่้อผู้หาบัวโอ้ย่เดียวสีมาเลิกกันนี่มาหาสีวะส่วนตัวห่อโมแม่ ik LA. a, um, Fi, uh, ON, δα, ja ื เข้ามาเป็าสิเอามาหม้อเขายังไงสันย่างนี้โลดเดี๋ยวราไปหาอันนี้เฮ้ายังย่างเราน้ามเยออ่ไหไปไปไปตั้งาลวไปนามตั้งเตาไปบ่ายตั้งเตาไปอะคเพื่อพระองค์หนึ่งเขียงกับเขาไงก็เฮ้าไล้อายุพารษาได้ก็เฮ้าเขามาหุ่มมาหอม เข้าเลีกเรียผ้าเฮ้ากดมีน้ามีจาตัวพ่าน้โว้ยวะเขาาห่มพ่อแม่คู่บาอาจารย์ม่ว่าปัดท่ปดีปััสอบมันจะเสียได้วะเขาม่งเรียกโม่ผ้าได้นะมันจะเสียสารนาวะเสียหอดพ่อแม่คู่บาอาจารย์บมวะบ่สมเกียรติสมหยดวะพ่อแม่คู่บารยยังเข้าใจว่าเรียกผ้ามันเปทางเจริญเน่บอกว่าสั่ตัวพันพ่อแม่คู่บาอาจารย์ซื้อวัดเรีกผ้ามันจะเลื่นคนน่อยก็ว่าพ่อแม่คู่บ้า์บ่ถึงือกันเดียวกันเดียวกัน คาพ่อแม่พักกว่าพ่อแม่ผู้อาจารย์บทสังขยังเม่ได้เด็กว่าสั่นลอวางสันเลอวเดี๋ยวว่าเดว่หาะ่เาเียงหระเขามาหุมพ่อแม่ผูว่าอาจารย์พ่อแม่ผู้ว่าอาจารย์ปพฤตดีปรพฤดิชอบไม่ั่นมันมีเกียรติมิจ๊กประพฤศาสนาเ้ขาน่อยวะเขามาหุมเดียวงฟ้ามันจะมีเหงมันมิดมันสูตล่วะวางเสียวา ตอนนี้เขาว่อาจารย์ปฏิบัติปฏิบัติสอบขอราะเมือนเนาะเขาบอกหมเล็กหูฟ้าปิว่าโตีเกียนตม่ไหนัเสียเกียตยตตงจักวว่าอเเนาะไรเนาะไระคุณครับเพาะว่านะเาะวาเขาท่านนั่นก็ยนเขาหัวใจวะสื่ออะไรเขาเขาัวใจอะไบ่เขาบ่ะก็แมนแล้ยว่ะเมียนหนึ่งมนอยู่วะเขาบอกหูมันที่มันโเมนวเขาบอกหมเล็กมันโเมนว าากผมวาปฏิบัติปฏติปัติตอกกระจายแบุญแรุ่อแม่นเนี้ยอัานว่านี่เขาบอมุมเลยว่ามัมนถอแม่นยังได้ขอน้อยว่าราว่างสันนิ่นค่าตัวฮะนี่มีความหมายอะไรก็ได้อเอาคือการ น, นี้ยศิว่ตล้านภาษากษัตริย์นะผมยังมาเรียนเลียนฝายอยู่ห้องกบยอมรับขึ้นกัน เ, เน้ยว <c oughs> ่าได้อภาษากษัตริ่หาันคัญเนี้นวาว่านาอวมันขึ้นความเมตตาตามรอเ่ พ่อบอกเนบอกาเขาอยู่โดยสงกงและสังอ้อมแบบบ่ลงหอบตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายมาก็ไม่เห็นว่าใสอหาสมิดกระห้กับบ่อหลึันว่ะก็ถึงไปหน่าเนาะผู้ใดจับไฟอะไรไฟเนียวสร้างสอนเอาไฟจะไปสร้างสอนได้สร้าง้อเห็นม่ ผู ela, a, uta, pues anda, ante, mundo, ้ใว่าเห็นโทดกระสร้างผู้ใดบอเอาสมัยเสมอนี่ฟีเวทหรอดได้สมอนี้ว่าเนสมัยสิบประเทเอาโลกได้สมอนี่เอาตัวรอดมันอดดีได้สมอนี่ว่าเป็นสมัยสิบประเทเอาคนได้สมอนี่บองสันว่าทานี้ว่าหนจันสิปคน่พาดได้ของซเนียมันจีบหายกับหุจักเ็งในสิปเบัน้าสนได้ได้เ่สันว่าีว่ายังมกคนี่พลานมันไก่สีตายเห ของท่านี่ว่มึง้ามันเีก็ือแค่คจะไหนไปมนยี่้านได้เาว่างสันนอกมนุษย์เียบรแตมนุษย์ บ, ก, ยบกัสวัียบกัพกรีบร้อยจำยี่ฟ้านนรียบร้อันเดียวกันเัเย ว, เย ว, วางสันอรอดว่าอืม น, นกงจักเ้กดกอาหารทีุ่ดเน่อาหารช่างเสียนมันมมันชางอาหารทีุ่ดนนั่นมันช้างเพื่อเบี้ยนะเขาแล้วก็อให้ อืมประจุประจุอืมอือว่ดทอมอตะก่อคว่ำแกะาเลลูกขาดขาดกุ้งข้นมากไปบอกไปบอกผาเขาโอ้ยมันเสียเกล็ดตะปูเสกเกลามันเสียฟั่งเสียไว้นี่เสียมาเสีสารหวานเมืองมันแนวมาอาจารย์บอกเอบอกว่าเดียวตักที่ผมว่าพี่ดีเนี่ยพี่ดีจังนะมันชิ้นหายอ่ะที่อ เอหเลยครับโไม่าเองเลมเห็นกซตามันจิไเียังมันก็เห็นกป่าชิมหาอยู่เนี่ยเดีมันิ้หายังไอีกูบอกเลยไหครับอาจารย์บอกเรื่ทังหลบแล้วมันกิิหายยสันเนี่พวบอกเรืงไว่ามันจะเลื่นเามัน่จะเลื่อจคนใน่ามันถึงทำบอกมันก็ว่าชาที่ถึงสุินอจุยะยะสามีคือกันนั่นียมันก็ชิ้หายยสันเนีิ้มาไเดี๋ิ้หายังไนอีกเนี่ยเอา โชว์ไปใช่ฝาแังรึเป่ยังเสียว่าคิดผาอีกเหรอไปเดี๋ยวชบๆชุบเดี๋่าใครผู้กันครับมือตัวมึงมึงผู้ขนาดว่าเน่ยไ่ชอบเสียเียบขันเขาเดยผูไปล่ะถือกระสียเสียบต่ถือกระเสียเสียรตนว่าเอามาว่าเจนี้ัเก้าผูออกตอนรับมันตายขัเนี่ยมหอ ตอนรับผตอนรับค้นในเลินองเกี่นาคนมาบวนในฟานนี่ยังมันจะเป็นตุ๊บั๊บเต้าค่อยแห่ดออกให้เขาชงเลยนี่ไงเยอะไรกเนี่ยครับถามลุงปู่ว่าปู่ถีนี่มาบวชอยู่วันนี่นี่้นเกลียดยังไครับปู่รับปีนี่มันไม่ได้รับปีนี่มันแหนกเนี่ยมัดูปกติปกติก้นเกลียดหลอกมาชัดเขาเนบ้า เดีวก็โดนโยกงเพราะว่าน้าไม่แพ้ขอเพราะให้บอกเลขขันบอกเลขเขาไล่นี้จับมันตายโยกตามันตายขไล่นี้ต้องไม่โยกนบอกัที่จงวัที่มอยู่กัามเอโอ้มาอย่มาหัดตกเหรอมาะกอนเอการมาอย่ดีกว่าดีกวนไหชูบวชแล้วจะมาอยกอะไรรอกมันยากก็ที่ไปบวชจะพูดมุกทหารก่อถ้านึ่งระยะโส่่นมันก็มโอกรายอย่นี่บวชแล้วจ๊งมาขอ อืมได้อยู่ขันบ้นวางขันบ่านวางก็บม่ได้อีกละบวดก็ปวดทำอยู่ได้ปวดปมันก็ต้อง่ายด้ยอืม่ป็นตัวจังทั้งวัดตอนที่นวดมาขอจากเั็นขาอืมเป็นตัครับแต่ว่ามันมันลาบากจูงมาอยู่ดีคุปบอเอเด้อยกตัวตลอดพัขาปวนคือคือนงมันไงตายคุปาอะโซ่เปลี่ยนซ่ตายปวดแก้บ้าแก่ปวดวักวดมาบวดดอกปวดนี่ปวดทัมันวันก็ได้ขันบ้านขันปวดตลอดชีวิตหนั่นคืออยู่ มันมังในสถานที่สิว่าบวดแก่บาแก่บุญเหรมันประกุมคาปีนคืนผู้ นั่นสามเดียบเปสิไฟแท้คือใช่เหรียนเนี่ย้อยกันห้อยกับพั้รีผัวน้าม้นเนี่กับําำเก่าหันแล้วเดี๋ยวไปใหลุงกยดูดิสาต้องรอก่อนก่ครตบิสาให้ยตบจูังไงบอนี่ยใชเออมพด่อโกอันนี้่นีตบ้ว่าจกจุ๊บจุบมนีวันสสองสายเหออก แยาคนท่าชวดไล่บอสงสัยว่าสาียเวรหลอกนท่าเขาบ่สงสัยว่าสี้ยหลังอีกหลอรทอดารมช่วยแต่สงสัยจะขึ้นเป็นโรคี้อีกพราะแต่ไข่ออกได้ไข่ออกมาขี้เหมอกันก็บล็อกสังชนะกต่เได้ได้บลงสั้นโรคกี้ชนะไปได้ออกอนอาผู้ท่องกันหนาหน่อยชนะไปได้ออกเพราะาว่าขึ้นอีกโรคสั้นโรคขี้ชนะไปแล้ว โอดส the ันโลกีนสนะไปแล้วลงท่นโลกีนสนะไปแล้ววันงบอกสั่นมา่กลับขึ้นนะว่องเครื่อแพอีกวันห่มันนักันวันเสีนแพของกเมาแอีกหนนี่หลักสตรสันพูด้วมเห็นตามั้สันเาเรกว่ามีสาสิทธิ์คพูดแ้วผเห็นจริงไปทสนเลยว่ามีสาสิทิ์เ่องคนหลงรให้ลกคสองต่อลกัตลเอคนหลวอัียาง สาย่า uhm. โรคครือโมเนนนอ่นแหบะเรื Eugene, <hed> ่องไข่ตลกคนนี้ันจะสั่นกับตัวหลักนักล่าจะยันงด้วยเราซ้ำพอรอกมาเป็นมนดกย้างนต้องขาดทุนลงไป